เรื ừ, ่องนกาาตั้งใจระดัรับาการจิตสำนึะทาไหนสบายนตตใตัววาให้สบาจะไปดื่เกี่ยวกับอดีนาคตสัายาอรนี้อ คือคือเราต้องเตรียมตัวให้ดีเดี๋ยวเราพลาดกันนะฮะมันเป็นของทางเหล่งเหลือง มีอภินิธรรมมีแต่คิดอย่า ง, ง, งนั้นเป็นอย่างนี้นี่แต่เดียวเดียวแาดูนะเมื่อหลายนาทีแล้วจนมลยแต่คุยกันคุยดูเดียวเดียวความดูเคลื่ทัศเค ล, ลื่อัหมดเคลื่อนเป็นหมดเวลาดแรงถึงแต่งงานขนาดไหนใจมันชอบใจมันยินดีก็เหมือนแต่เดียวเดียวแค่นั้นแต่การทางธรรมนั้นท า, า ใ, นใจ ่นเชื่อนในทำใจในสงบใจในฝึกในเห็นคุณค้าในการสดับรับฟณะรู้สึกว่ามันนานมันเหนื่อมันปวดมันปวดมันจนอย่างนั้นแต่ท่านผีมีอัฐมีพันในใจสมนกันกับคนผีติดวัตถุข้างนอกดูมหาลักษ้องเงนต่างค่างก็อยูได้ทนได้ สบสายจิตบริสทที่ทางเข่าในโลกสม็ดตั้งเกีบวันเก็ยคืนน่อยกินหอยถ่ายนลึกเจไหนหนอนนงจะดีมากมีท่านมีธรรมะในจิในใจั้งท่านพวกเราว่านั่งเข่าฟังเข่านิดหน่อยนั่กอสบายหาทีต่ต่างทางกายก็เจียตปวดทางใจก็วุ่นวาย มีแต่ชีวะเรื่องทีเลตของเรามันมากมันเลอะนฉันมาอยากจะให้แลวนี้จากพบจากชาตจากความสิ่งความปรความหยุ่ความเกี่ยวกับโลกมันเป็นแบบนี้เพราะงั้นหน่อยพอใจหนอยการทาดีเยอะกว่างานทีเลตลึกชีเลตมามันมาเลอะนหน่วลาตั้งเศษตั้งทา เวลาเดินงกรนั่งภาวนามันจนมีมักอยากจะมาคุนคุยยู่จะเชื่ยวหลงของมันกมันมีเวลาที่จะทไปจากอำนาจของมันมันจะบังค่บบัญชาอยู่ด้วย่าทำอะไรไปนิดหน่อยน่อางดทางดีมันจะขูเอาพอแล้วขึ้นเรแล้วทั้งทั้งที่หน่ยรู้หน่เห็นหน่ยน่อสงบอะไรแต่กว่าเชื่อวมันนหน้าตอน ถ้าใความกันใหม่ันคิดแดดนั้นวันหน้าพอทากันไปมันกลัมะคิดอีกเ่อีมันเป็นอยู่แบบนั้นความดีทางจิตทางใจตรหนีจะเร่งก้าวหน้าถ้าเรเชื่อถึงความั้ น, นต่างหาูต่างตาฝ่ า, าฟันที่ไม่คิดจะมาทำนะในใจในใจท้ ง, งตัวนี่อดัยมันจะเกิดขึ้นขนาดไหน เราจะมาเชื่อเรื่องทั้งนั้นเราจะที่จะมาห้มันทพ่อถึงตอนนี้ผิดใจของเราผิดเคยมีปัญหาเยสงสัยตกออกไปในเห็นจริงในอัในทำระวางไวยไหงนี้อะไรสิจะสงสัยอีกถ้าในเช่นมนเห็นในรู้อย่างนั้น อะไรเกิดขึ้นเราจะค้นคิดคิวจารณมาหาเหตุของมันเกิดจากใครทับไความจำความท้องใจสืบคลดออกไปแต่เราตั้งใจมั่นอย่างพากรรมจะทำจริงจังอีกทีเคยส่งส่งยุ่งเกี่ยวกัวบรื่องต่างๆมันก็ค่อยจะสงบไปอย่างหยดอยิ้าปนอกก็ค่อยหายไป ใจมันมีหน้าที่อันเดียวใน่ไหที่จะมาเรื่องของธรรมเร่างของโลกมันจบหมดไปเหมือนคนคนเดียวเรามาอยู่วัดทางบ้านก้เถื่อนตัวนี้ใครที่จะอยู่ไทเรานีจากวัดไปอยู่โน่นทางแล้วกันนี้นีจะอยู่บ้านของเราตอนนั้นมีห า, าที่ของใจกับธนองเดียวกันถ้าใครทำที่จะมาทำทำลใจ เรื่องที่หลือปัญหาสิ่งเยอะแยะต่างๆแล้วมนก็ตกออกไปถ้าเราเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นคทางทำแล้วก็แหางใจไปอีกใจมันมีหน้าที่เก่ยวข้องกับอันใดมันก็อยู่กับอันนั้นอย่างที่จะมาธรรมะการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมะจึงเป็นเรื่องขัดขล่ยี่เหลือปัญหา ทำความสงบของใจให้ได้พอใจที่มันสงบนั้นไม่ใช่เรื่องข้างนอกที่มาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องของใจเองมันคิดมันปรินคิดดูล้วยาง น, นี้กขนาดอยู่ว่างอยู่นี่ามงนานอะไรมันก็ไม่นี้ ทองนอกมันก็สงบดีนั่นแหล้นะก่อเกลื่อนอะไรเราแต่เราถนั้นกอกลนตัวของเราเองด้วยคิดอย่งเต็นอย่งนมีความสความสุขนพรความเต็มความคิดของจิตของใจฮะ เราก็หมดจิตก็หมดใจลงไปอะไรสิผ่านมาแข่งออกก่อตามเราจะไม่จิตตามเรื่องเหล่านั้นพุขึ้นจากใจอย่างนั้นอยงนี้แล้วจะไม่เชื่อมันแติที่เจอมาจริง่นันมี อ, มมอยู่แต่กาหนดพุทโธกับกำหนดพุทโธอยู่นั้นหายจิตจังกาหนดบ้ากำหนดควว่าเรื่องของพุโทโธไป แต่หัวใจก็เกี่ยวข้องกับอารมณ์ข้างนอกถือเจมื่งอย่างนั้นกาหนดในปล่อยวางในบดบริกรรมของตัวถึงทําเทียบทันสอนแล้วก็กาหนดได้เหยื่อทันสอนหัวของเราตะไม่มีอะไรจดเอาไว้นันก็ขอไปสัมผัสกับใจดนยินมทา้เหอนก็รู้ทั้งใจ แล้วก็หยุดอยู่เรื่อยๆไปไปอารมณ์ที่เราก็หนดเอาไว้ไปันอได้ยุ่องเกี่ยวกับเรื่องอันอื่นมันก็มีโอกาสเวลาที่จะางบลังเลเมันเก็บสงบความเย็นความสุขมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันกับกามันสงบในโรคภัยออื่นมาเจาะเตือนกามันก็มีกำลง ก็ไามาทาการทางานอะไรก็สะดวกสบายอนเรื่องของกายมันสงบกายมันหนีเร่วใครเหยียดเดียนมันฝึกมันสบายใจที่หนีอารมณ์ตั้งยาไม่เหลือปัญหายุงเกียวมันก็ทํานอนยาวตันก็เพื่อเราท่านยามดคยเห็นคอยจินใจจึงหนี ความรักเข้าในมีความเป็นใจและมีความยินดีเรื่มใสยอยากอยากทำจนมาความสุกนั้นมันอยู่ที่อื่นไม่ด ไ, นนไนนมมด้อยู่ที่จิตทีใจของตัวได้อันนั้นในอันนี้จะมีความสุขหนึ่งคือเรื่องจิตธรรมดาของคนที่ในใศึกษาปฏิบัติธรรมเกิดนั้นตามฝึกปฏิบัติธรรมจรงมีจํำนวนน้อย มีใครที่จะสนใจพราะเขาเนี่ยโชท่านผักนี่ยโชยเห็นความฝุกความเย็นเของใจในธรรมอ่ะจะเห็นได้อันนั้นมันมีความฝุกได้อันนี้มันมีความฝุกคุณสวงหาเวลาทลางวันกั้งคืนบึกื่นก็ไปได้เพราะความอยากได้ของเขามันมีอยู่ในจิตในใจเลยไปแสวงหาบางที่ก็ไป อยู่ตั้งฉะนั้น ท, งทางจะนีแล้วการด่าได้ยังไม่ได้ตาก่อนจะนีได้มาแล้วยังไม่ถึงด่าตายก่อนมัมนเป็บบนหยู่อย่างนี้ในหนาน้องเพื่อนิ้แล้วก็ออกอากาศกันเราได้ยินไดบฟังแต่ผู้ตั้งนหน้าตั้งตาภ า, า, านาละชีวิตเดินจนคลตายในทางจนคนนั้นมีสุขอยาจะหาว่ า, า, า, น, า, า <c oughs> นั่งภาวนาตายไง คือมก็หายาม่ใช่เลยยินงฟังกันเนี่ยแดหน้าเรื่องความอยากของมนุษย์เรานั้นอยากในวัตถุมากกว่าอยากในอัตในธรรมนเมื่อใครที่ยอมเสียสละชีวิตหรือิดต่อคิดต่อทําให้ต่เรื่องนอกยอมเสียสละตมใจ คือจะไปจะทำถึงสิ่งนั้นจะันหนมาจะยันขนาดไหนก็อึตาพยานทำเผื่ออะไรส่งที่เราทาไปาหาวิญญสัยที่จะมายงจังแล้วก็เผื่อเรื่องของกาไม่เลยเผื่อเรื่องของใจเราพยหามาเผื่อบรรรักษาเรื่องของกายเผือให เ่องของใจนั้นในใมีใจจึงอาเป็นของสำคัญแต่ทางทำนม้ที่เจรนาจริงจังแล้วเหื่องของใจนั้นสาคัญกว่าเรื่องของกายายนั้นถึงจะอยู่สะดวกสบางมีที่อยู่เอ้อาหรือลาขนาดไหนมีเสื้อผ้าหนึ่งเหินสวยงามขนาดไหนมีอาหารตามฤดูกาลหรืดีขนาดไหน มันกำลังมีวันมีเวลาท่จะทาให้ใจหายจากความเจความตายไปได้หายจากความซึมซึมอย่างนอกก็ได้ได้อันนี้มันจะอยากอันไหมันได้มาจะดีใจสุดเฮามากกวก็หายไปอยากอยอันไหนอีกแบดนี้มันจึงเมีความฝุกทั้งทสิ่ของนั้น บางท่านบางคนในหาอีกให้อยู่จนตลาดจนตายก็ไห ม, ม, มดแต่คนอดากใชงใจค น, น อ, ย อ, ยอยากในกหยุดในถอยอยากจนเกิดผีในจังหวัดอยากจนเก็ดผีในประเทศอยากจนเกิดผีทั้งโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่ามีอิม่มีพอเป็นทางผู้รท้าผื่อใจสนใจนั่นผิด ปัหาสนาณัตทีแม่น้ำเสนอเด้วยปัญหาหน่อยมีที่มันก้างใหญ่เท่สารจริงจริงจังๆมหาสมุทรทะเลทมันจะดใหญ่ขนาดไหนก็ยังมีเรือเข้าไปถึงฝั่งได้มันเป็นลึกขนาดไหนก็ยังมีอะไรวัดทราบว่ามันล็กขนาดนั้นครอทราบกัน แต่จิตใจของคนยืดปัญหาของคนความอยากของใจนั้นไม่มีอะไรวักว้างขนาดไหนมันมีสั่งมีฝานั้นมนกเอาจริงจริงจริงจริมันจึงหนีทางอิ่มพอให้ได้อะไรมาใจพอพนจุดในใจนี่จะวางได้เลื่อไปไม่มีวันอื่มันเตมให้หนีไปจิตใจถือเป็นตัโยืดปัญหา มันเป็นแบบกนั้น น, น, นั่นจี๋หนูมีวันสุขวันส บ, บาเพราะความอยากทำให้เกิดทุกข์ทำให้ความอยกมันก็ลบทุกข์ทุกในใจอยากอันนั้นอยากอันนี้นหนูมีมันหมดไปยึดโดยง่ายง่ายไปคือเราผลออกไปเบยมออกไป จ, จ, จากปากของเราแล้วไม่อยากใ น, นเรื่องเหล่านั้นหมดมันจะนั้น แ่มาจิงคนจะมาหยุดไม่ยากเราไม่เสียใจเพราเหยยดไปเพราเราไม่เหงอเหงื่อเราไม่ยึดถือเราวม่ยถ้าหากคนเท็เป็นหรือความมีค่าส่งออกไปขนาดหนามลายของเราเนี่ยแต่มีเขามาหยิดออกไปถือไปเสียเราจะเสียใจขนาดไหนเป็นทุกข์นาดไหนมันยึดมั่นหัวความเหงื่อเทาร าทุกข์ของใจจเกิดขึ้นถนั้นห่เจอความอยากนำไปเกิดทุกข์ในด่านของจิตงใจไม่ว่าอยากอะไรมันเกิดทุกข์แต่ความอยากนั้นทุกท่านมันก็มีอยู่ในจิตในใจเพราะมันไม่เห็นอยากนั้นมันเป็นภัยเป็นเวรเหตุทุกข์แต่มันเห็ความทุกข์ อยากจะทาอะไรเราได้อยากคนั้นกก็ได้สิ่นนนนนงนั้นสึนงนี้นน้จิเทานั้นนะน้องใจเท่านัได้มาเท่ทาไรความอยากน้องก็นหนักความให้คนบัดมากมายแต่หาความจุไม่ได้นึ่คือบ่างของจิตใจที่เตินไปในเงินของโลกมันเต้นไปอยู่อย่างนั้นแถวแก่วมันจะ สุขสบายมันเกิดในสุขสบายให้หนุ่ม้ามันเกิดสกขสบายมันเกมดสุขสบายให้มันมีที่ไหนสุขมันมีที่ไหนสบายเสื้อค้าแถวนั้นคือมันสบายเ้อนกลับมีคนอยากใหม่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ตั้งใจไหนแต่ไรมาท่าอย่างไรเราเึงจะ ดับความอยากเข้าใจได้ถ้าดับความอากเข้าใจได้เราจะเย็นจะสบายความดับความอากเของใจนั้นต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติธรรมะถ้าหากมีธรรมะอยู่ในจิตในใจแล้วความอยากนั้นนั่นมีบางเวลาที่จะละถอน ผมมีรำเวลาที่จะอิ่มพอ <c oughs> ถ้าฝึดธรรมะปฏิบัติธรรมะพิจารณาธรรมะแก้ไขเรื่องปัญหาคี่สร้างอยากข้องใจนั้นมันเกิดปัญญาขึ้นมาเราอยากมาทำไมได้มาแล้วมันให้ความสุสสขความเสบถแค่ไหนมันจะมาวินิไฉัยมาพิจารณา เนี่ยมันทราบตามความเป็นจริงในจสิงอันนั้นนันก็จะปล่อยวางจริงอันนั้นไปก็เพราะว่าจริงที่เรา <c oughs> เยากเราแสวงหาเราแสองแหาเล็ดหนังผืมน่แะแต่อันนั้นของกูของกูจริงอันนั้นนั่นไม่ทราบแต่เราไปรักไปชอบมันขโมยข้าเอาไปนั่นก็นั่นก็มือ่อ่าไอ้นี้ แต่ áng, ขององคู้อยู่ไั้มันไม่ใช่พูตใคร ค, คิดถึงตกใจตัมือโจมันก็เป็นของโจรใแล้วจเหล่านั้นล่ะนั่นเป็นบเทาความแก่ความตายได้มีมากมาขนาดไหนความแก่ความทานันก็ขัดไล่มาทุกระยะทุกเวลาทุกวนาทีวันาตายไปแล้ว สิงทราหงอเห็นงแสลงหายากยุ่งเนไมมีโอกาสเวลาหาความสงบทางจุตทางใจได้มันเป็นอย่างไรมันติดตามไปนะั้ยขนไคว่หอบเน่อยไปได้ไหมนะี่คือทางที่เจอมาเจอจะแก้ปัญหาคว า, ามอยากเพราพยานหลักฐานมันมีอยู่แล้วต้นบาปเดิม ในโลคนอยู่เขาเวหลงเหงหงยึดถือเหมือนเราเน้นเขกันไปใหาเราเห็นเขาคว้างเงินทางบานส่องที่เขาแสงหามาได้เนอย่างไรเห็นใครก็หอบเหตไหมางหอเหอยตได้เชื่อว่าพวกไวมีเหิ้นดยู่เพากเหทุกแห่เคยมีคนจับจองหงหงเอาไว้ แต่เขาเล่านั้นแอบหิหาขามไปไม่ได้ยังเหลืออยู่เราก็ทำงานเดียวกันกับเขาจะนี้เหนียวขนาดไหนนั่นจะมีโอกาสเวลาที่จะหอิวไปได้แม่ขนส่วนเดียวมั่นจะมีทางที่จะเอาไปได้ไม่ว่าจะวัตถุนอกตัววัตถุในตัวมันก็เอาไปไม่ได้เราจะไปหลงเหลยยึดมั่นเชื่อมั่นมันมีโอกาส ที่อจะพิจาราฮาทางแกไขหาย ใ, หใ จ, จสงบได้อย่างไรความกนมันมีต่เราที่สืบอยู่อย่างนั้นทำไมจึงไปองล่เหลงไสฝันเนนมือบบอ่อเบรดตลอดเวลาเราจะต้องปวจตามที่จะมาหาสัญญาความกินขงมันเพื่อให้ใจขับไล่ความอยากออกไปแ้ามันเห็นตามจริงแต่จาก ในจิตในใจมันต่ายมันไม่น ห, นหาพอมันเห็นงั้นมันเห็นมันจึงหาตัมหาความอยากคือมันเหนดความอในใจไม่เท่าไรนั่งก็หนืออห่อยเรื่องของโลกแต่เรื่องของธรรมเราติจาจมาไปที่ารณาไปจนใหรู้แง่ ในนั้นในสิ่อย่างนั้นการเป็นจริงของมันใจ น, นั้นจะบริสุทธิ์หลุดออกไปจากสมมติสมมตต่างๆที่เราเคยยึดถือนั้นเราจ ะ, าะาทาาาะราบดีว่ามันมาถึงแค่นี้ระยะนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นสมมตอีกยกความบริสุทธิ์จนอย่างไรความบริสุทธิของใจนั้นมันสะอาดมันเคียวใจ นั่นจะเยออนี้แบบบมันไม่ย่งเที่ยวกับสมมติท่านจะเทียวกบาบบฤทธิเศิษยอยู่ตลอดการจะเข้าที่ไม่เข้าที่ในมีปัญหายกตัวอย่างพระคาฮิยะฮทรึกเรือผิดตายในระะยะสูงไปแสดงหาข่ามาบบกท่านไม่ย่เข้าที่เขาทางอะไรจิกใจที่บบฤทธิศนั้นมันบบฤทธิ์ศิษยอยู่ตลอดการในมีอะไรที่จะมาย่นเที่ยว ตายแบบนั้นถ้าพวกเราทำธรรมดาโกงถือว่าตายห่วงตาหา่าการเป็นอัปปะโมกควรแต่ภาฬานิาสิติเหนนั้นถ้านถือยอย่างนั้นขเราจิตใจบริสุธิ์จะตายแบบไหนอย่างไรนั้นก็จรู้ึอยู่ตลอดวันตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะเป็นไปเพื่อพาติเพื่อหลูปัญหาอีกนืคือความบริสทธของใ คารตัดขาดจากความอยากอยู่ตนนึงก็อยากตาก็านนึงก็อยากเมื่อมีความอยบทุกอย่งจะเกิดมาจากที่ไห น, นทุกอันเกิดขึ้นมาจากสมุทยัยคือความอยาของใจขานจิงเหว่าโดยการที่เจ้ามาหาสาเหตุของมันมันทำไมจิงอมากในวันเวลาจิงขอบาลีบูนให้เราจะต้องตอบ ดูจิตใจของเราว่ามันอยากทำไมได้มาแล้วมันให้สุดกิดทุกอย่างเลยเมน่อเวลาอยากอยู่นั้นแต่เหมือนใจกับคนหิวเป็นอะไรนั่นก็เหมือนมันจะ อ, อ, อร่อยอร่อยนี่รสชาติหมดแต่คนที่อิ่มแล้วถึงอาหารจะจำ้ำเพื่อจ้ำจเลยรสชาติที่มันก็ยังทรงรสาติตามธรรมดาอยู่คนอิ่นนั้น อีกอย่างอีกเขาจะหยิบ็กหนูไปที่ไหนหนูเสียใจเพราะเราอื่นแล้วแต่เวลาเรากําลังทานอยู่หิวอยู่กําลังหิวหิวกำลังทานอย่างนั้นมีคนอื่นเขาจะหยิบยกออกไปมันเสียไปบางทีออาจเกิดข่าคนถึงทํามตายกันได้พอกําลังหิวถูกยกข่าวเขาพูดมันเป็น มันมีแบบนั้นนี่คือความหูมันมันอบกมีการปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเสมอกันเราจึงบิดเบิ่มในการพิจารณาในธรรมะธรรมโนของพระพุทธเจ้าอยู่แต่เมื่อความเจ้ามาถึงเข้าท่านบำมจุดมันคือมาตัดกรอนในเวลาที่ต่้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ หายตายไปท้งท้งคืจิตใจดังไน่หมดเรื่องความอคือยังไม่หมดทิ่งเดือด้หาตายไประยะนั้นเพียงเดายแถมีชีวิตอยู่ต่อไปเงจะได้แต่ทำมันเพิละถอนที่เดือดรัญหาได้มากกว่านี้น่าตายมาถึงเข้าเราก็เลยดแายิีงเลยเสียใจเสียดายหน่งควายาของเรา ที่ยังไม่เข้าขั้นมุ่ทำานเยวกันเราไม่หลากตายเดียวกันทั้งนั้นความตายนี้ม่มีใคแต่างตารไม่มครต่อนถึง ข, าข้าคล้องมีค่าขนาดไหนขนาดตายร่เกี่ยวลงไปไม่สบายหนักข้าเราสามารถเอาของสิงนั้นนะ ซื and and to them, word, hood, ้อยุดซื้อยาหามารักษาตายของเราไม่ให้ตายยมเสียสลเพราะเส้นสายชีวิตมีคุณค่ากว่าแต่เมื่อรักษาไม่หายมันตายไปเราก็เสียใจแต่เรายังมีความอากอยู่มีความอยากของใจที่ไม่อยากตายนั้นมันหมายความว่า อยากจะทําอันนั้นอยากจะทําอันนี้จริงที่ยังต้องการยังมีอยู่ยังไม่จบไม่ขึน้นมันจึงไม่อยากจะตายไปแต่ถ้าเรียเจ้าที่ดำเพ็ญครบถึงที่สุดแล้วท่านไม่เลืมีอะไรอยากจะตายไปในขณะนี้ระยะนี้วันนี้เวลานี้ท่านจะ ม, นมีอะไร มัจะย่งเกล้ยดเสอเสยใจเพราะทำหมความยากของท่านเหมอนกันกับคนทานอิ่มแล้วคนอื่นจะยกจะยกของนั่นหนูท่านก็จะมีความเชื่อใท่านก็จะมีความเสียใจการขาดไล่ความยากจะต้องอาศัยควาอาจะต้องอาศัยธรรมะจะต้องที่ตังในาให้อยาดคร เราไมอยากตายมันก็เป็นทุกข์าความตายมันมีอยู่เหี๋ไหมถึงตัวเข้าไม่อยากตายวันให้รนทําขนาดไหนมันก็ไม่เลยเห็นใจของคนที่ไม่อยากตายถึงเวลาเข้ามันต้ตายเดยกันทั้งนั้นความตายนี้เป็นของเที่ยงค่นแน่ยนอนความเป็นอยู่เนี่ยแน่นอนเท่าไรคือเป็นอยู่ ฝูดกันอยู Sad ่เจริญกนอยู่เดียวก็ได้ยิน so ข่าวอ่ะแต่ไปบ้านเป็นอย่างนั้นคาเตนั่นเป็นอย่างนี้นันได้ยินันอไู่บอยนี่เพื่อความแน่นอนแหงความเจรอยู่แต่ความตายนั้นแน่นอนโดยการทั้งนั้นก่อนจะตายเาจะต้องแก้ไขจิตใจของเราแสวหาคุณค่าของการปวดเอาไว้ คือะทความดีทางกายางวาจาทางใจเพื่อจะได้เป็นมดใสเป็นผลเล้ยงในภพชาตต่อไปอยู่ไหนทงใจที่ยังไม่ถึง ต, ต่างสาขายนนังไม่ถึงดีมที่สุดของภพชาตเราจะต้องอาศัยบุญกรรมที่ทาเอาไว้เป็นผีนำพาไป พบชาต์ต่างๆถึงเราจะไม่เชื่อปติเสธขนาดไหนก็ปติเสธได้เถอะหลาตายแล้วเกิดหรือไม่ถ้ายังมีเรืาอาอ่องปันหาอวิชชาอุปาทานจำอยู่ในจิตในใจแล้วไม่มีทางที่จะไม่เกิดอีกจะต้องเกิดอีกเยอะวันยังขึ้น ถ้านากหมดเรียนกาเหลือปัญหาแล้วท่านผู้โ ป, ปิบัติจะต้องทราบเองว่าโทษชาตจะมีอีกไหมถ้ายังสงสัยอยู่ยังนนยมมันหมดความสงสยัยอาจะไปที่ไหนเนี่ยพระนิพพานถึงคนเกี่ยไปต่างการท่านก็ไม่อยากไปอยากเป็นพระอรหารอาหารหันต์ท่านก็ไม่อยากเป็นขเหตุใดพระท่าน เห็นธรรมแล้วอยู่นี่เราไข้แล้วถ้าอยากไปก็ยังไม่ถึงถ้าอยากเป็นจะยังไม่เป็นถึงอยากเป็นถ้าเป็นแล้วเห็นแล้วไม่ก็หนหายังมีความอยากอะไรอีกหมดความสงสัยในจิตในใจอยู่ไปจะมีอะไรดีเสียเกิ่นอีกจะมีการละการแถนอะไรอีกไหมมันหมด เมื่อมันหมดอย่างนั้นมันจะไนมีอะไรที่จะสงสัยแต่การปฏิทิปฏิบัติตามธรรมยังมีฐานมีขันอยู่นั้นท่านพุทธเจ้าเองก็มีการทำอยู่ว่าวิหารธรามคือความดูในฐานในขันให้สุขให้สบายพอเหมาะพอควรเห็นใจว่าหมดที่งเหยปัญหาหมดความอยากแล้วจะทำอะไรก็ทำไรไปจะอยู่อย่างไรจะอยู่แบบ ไม่มีจิดมีใจไม่เป็นแบบนั้นแต่เป็นแบบนั้นก็อรหันอนัตตาอรหันบ้าขาความสบายไม่ต้องนตรอมยกเพราะทุ่งทอย่างเป็นอนัตตาถ้าเป็นไัแบบนั้นมันก็ผิดจากพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาทำเหมือนสอนเหตุผลงงหลหลงทำเมอ ละเอียดละอว่าไปจิตใจละเอียดจิตใจรู้ทำใช่ไรมจะยิ่งรอบข้อในการปฏิบัติทางโลกทางธรรมไม่ใช่หรือรู้แต่ใจเรื่องของธรรมถ่ายเดียวเรื่องโรกไม่รู้รู้แ่จริอะเรื่องใจถูกรู้แจ้งเรื่องรู้ในเวลาโลกนม่โลกไหมในี้อะไรที่จะเฉล่งใสจะแจ้งจะปฏิบัติอย่างไรท่านปฏิบัติให้เหมาะสม ในจิตในใจทั้งท่านแต่จะให้ถูกกับที่เหลือของคนทั่วไปนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะที่เหลือของคนมันมเหมือนกันบางคนเชอบเขาก็ส่องสอนโยมโบางคนเขไม่ชอบเขาก็จิตจินตนามันเป็นธรรมดานะอย่างเหล่านี้จะเอาเรื่องของคนลับถือคนชอบ เป็นเจนไม่ได้จะเอารืของคนต้นหนุหนทางเป็นเจนไม่ได้สิ่งที่เป็นหลักเป็นเจนก็เคยพูดจะพูดปฏิบัตินั้นท่านจะอยู่แบบไหนท่านอย่างไรจึงจะหมะกับโลกกับธรรมในใจของ ท, อขอท่านท่านระพิดโดูรูปเฉพาะเจ้ทของท่านอย่างนั้นขณะเป็นโลกอยู่ที่นั้นรู้แจ้งอยากพูดส้่งทุกอย่าง ที่มีการเกิดขึ้นจะต้อมีการแปรสภาพแล้ดับไปในร่าอาดีตอนาคตหรือปัจจุบันมันเป็นไปอยู่อย่างนั้นควรจะยึดมัน่นถือมัน่นมันจะไม่ฟังเสียงใครควรจะขัดไล่อย่างไหล่านัออน้นให้ตกออกไปมั่นก็หมาเควาใจมันมึนอยู่ตามเรื่องของมันคือแก้ยขจิตใจของท่าน ให้มดความยึดมั่นผืดมั่นให้เห็นตามเป็นจริงนี่คือการประเสธปฏิบัติสัญญาสะสมหยุดใจต้นตัวที่ยากอย่างนั้นยากอย่างนี้ที่จะมาหาสาระหลักเกณฑ์ใหมันจริงจังอยากไงแล้วมันให้ทุกข์หรือมันให้สุกอย่างไรโดยส่นใมัให้ทุกข์นไม่ให้สุกสึกสึกเพราะความหลง แด็กชายเหลาีอำ น, นาจบาเจนะพระจิใจบังคับบัญชาสงเห่านั้นในคงเส้นเงาาอยู่ได้ในนีใครเราอกจากมันนุ่ะจากเราสิ่งเปล่าราักเราเฉยเหว น, นเราเหวีเห็นแล้เก็จะห่ ง, งเหนืไปม้แต่ทาไมจิตใจจึงยึดมั่นถือมั่นจนไม่มีรัมม้นเวลาที่จะปล่อยงกิดทุกเกิด ในตัวของตัวยิ่งเกี่ยวกันสิ่งเหมือนนั้นเขาเป็นอย่างไ ร, ห, ห, รหรือเป็นบ้าใจเฉพาะเราไปหนุนไปเหวีงไปยึดไปถือเาอขามันจะต้องยกจิต ท, ที่นิจจเจนาะสอนจิตของตัวไม่อย่างนั้นจะไม่มีทางที่จะแก้ไขทับไดความเฉลียวใสฝังจิตแท้ใจออกไปกนี่คือการที่นิจจเจนาการชำระใจคนที่ชนะระ ใ, ใจของตัวอยู่เรื่อยๆิี่จนะ กามธรรมะคอพระพุทธเจ้าสอนใส่รู้ใส่ใจเป็นจริงในจิดของท่านคนนั้นแหละมีความสงบทั้งกลางวันกลางคืนยืนเบนหนังนอนไม่มีทุกข์ไม่ทุกอะไรังไม่มีเสาควงเงินทองท่านก็อยู่ทกอยู่สบางถึงตายท่านก็ตายฝุกมั่ตายทุกตาย้ดอย่างเราดังนั้นความสุขนี้จะ มีขึ้นก็เพราะอาศัย ว, ว, วเเจเ ร, ราเท่านั้นต่างหน้าต่างตาคนละที่จะมาอัดทำในใจเราอยู่ๆก็จะโผล่ขึ้นเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างต่างอาศัยการกระทํานั่นเองจะเกิดขึ้นเหมืกันกับด้านช่องสติสลายที่เราพัฒนาอาศัยก็อาศัยสร้างขึ้นในใจนั้นโผขึ้นเุดขึ้น เนี่ยสร้างขึ้นได้เราจะอยู่อาศัยสะดวกสบายฝนตกฝนลงแล้วก็ไม่เจีจ๊ยบจะนัง่งจะนอนไปสุกไปสะบายแดดออกก็พอพักพัอาศัยได้หนึ่คือที่พักของใจที่พักของใจก็ทำงานงียวกันฉะนั้นขอทุกท่านงจงวิจัดทำแบมเทนเพราะธรรมะนั้นไม่ได้อยู่ในที่อื่นอยู่ในใจในจิตของคน ตำราของธรรมะนัอนอยู่กับตำลับตำราอยู่กั บ, าบากระดาษแต่เต้าธรรมะจริงจังอยู่ในกายในใจของเราพยายามถากเทียทนคิดคุตเลนาศึกษาปฏิบัติคนนั้นแหละอยู่ในโลกจะได้รับดบเกียบเขามีกำไรในชีวิตเขาเป็นทุกข์ก็รู้ก็เสียงท่านนี่เป็นทุกข์ จึงเทวิตสังเวยเส้นท่านกรณเหวในตื่นเทวมท่าท่านกรณ์เศรโศกเสยใจอะไรความจริงเป็นอย่างไรท่านท้าท่านเข้าใจในท่านมีคือการปฏิบัติตามอาถรรพ์ที่พระพุทธเจ้าสอนมีคุณค่าชั้สิงอย่างนี้แต่คนไม่เห็นในนก็เหตุใะ คือบอกว่าปฏิบัติธรรมเป็นใครได้จะสบายอย่างนั้นเราะในวัตถุอะไรเราไมเคยเห็นในใจของเราเราเผื่ใจแบคนอื่นจะเหมือนเราหมดไม่ได้โลกอันนี้ตัดทะเลไเคยเห็นบกไม่เคยเห็นเพวอเขากะเสื่อมมันตังมันไม่เชื่อตัดเบิกวมาเคยเห็นทะเลก็เหมือนกัน แต่มันมีถึงหูมีตาถุงเคยไปเคยมานะมันก็มีบทมันก็มีขีสูงีต่ำขีลุ่มขือดอมันมีมีจิตใจก็เกี่ยวข้อถ้าปฏิบัติตามอดตามธรรมแล้วความฝุ่ของโลกเพติดขงยุ่งเกี่ยวเนอย่างไรความฝของธรรมที่เราประสบพบเห็นโดยการกระทั่งมลเพลนสงบละทอนกิเลสเนอย่างไรนั้นจะกระทั่ ใว่าอะไรมีคุณค่าสาระสูงกว่ากันไม่มีอะไรจะสุดอย่างไรนั้นใจทราบในจิตในใจทั้งตัวนี่คือการระพูดปฏิบัติเป็นสันทิปิโกคือเห็นเองเป็นปัิจจตังเฉพาะใจทงตัวหาทุกคนต่งหน้าต่างใจพอพูดปฏิบัติ ใตใจวันเวลาจะเป็นหนึ่งฉมนั้นิเลสออกจากจิตจากใจทั้งเป็นอยู่ทุกวันทุกเวลาความสุขความสบายในจิตใจที่มีคุณค่าอย่างที่อธิบายมานี้จะเป็นต้บัตบของตนแต่ต่อไปหาความสุขที่อื่นเพราะสุขในใจมีสมบูรเพียงพอแล้วหนูเคยการปฏิบับติทำละถอนกิเลสตัญหา มีความสุขความสบายอยู่ตลอดการตลอดเวลาไม่มีสุขอื่นจะเหนือจากความสุของความสงบของจิตฉะนั้นขอทุกท่านดวงตาหน้าต่างตาขอทึกปฏิบัติเหนือทุกท่านพยายามทำายชั่วบำเพ็ญดีให้เกิดมีในกายวาใจใจขุกคนคนนั Love, ้นก่อนนัดวันนัด เวลาที่ จ, จะเรียนการนะในความสุขทางภาษาแฉการอธิบายธรรมเนี่เหี๋ยพอต้นงเตรียมีเวลาขอจิตใจแค่นี้นเองวัง